เป็นเครื่องแผลเผาแผลเผาอะไรแผลเผาอารมณ์พลังจิจนั่นแหละเมื่ออะไรโผล่มากระรู้อะไรโผล่มากระรู้อะไรโผล่มากระรู้ก็หมดจุดจอรู้อยู่อย่างนั้นแหละให้มันสงบอยู่กับอารมณ์ที่เราว่าพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้ตัวรู้ตัวนี้มันดับไม่ให้มันดับไม่ให้มันลับไม่ให้มันเลื่อนไม่ให้มันลาง ให้มันจางทำยังไงไม่ให้มันจางทำสติมันเดืองชัดถ้ามันจางถ้ามันจาง ก, ก็คือสติมันไม่ชัดมันเลื่อนเลือนลางๆงจางจางหายไปแล้ว <S <S อ่าโมหะมันมาสวมรอยดึงไปแล้วโมหะมาสวมรอยเอาจิตไปเรอไปแล้ว <S <S ไปถึงไหนก็ไม่รู้ไปถึงทวีปไหนก็ไม่รู้ปรุงนูน้นปรุงนี้โอ้ย เ, เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเอ้าไปไหนก็ไม่รู้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 สร้างงานให้กับมันพยายามทำความรู้ตัวกากับนี่เขาเรียกว่าหัดตั้งสติหัดกากับด้วยสติสติกากับจิตถ้าสติถ้าจิตถูกสติกากับจิตจะตื่นรูอยู่ตลอดช่วงที่จิตของเราตื่นโรชัดเจนที่สุดเต็มร้อยช่วงนั้นเลยคือจิตของเรามีสติกากับดูแลอยู่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 รงกายเกิดความรู้สึกโอ้สบายโอ้ไม่สบายอยู่เนธนาอาการเหล่านี้เกิดขึ้นไปในจิตจิตรับรู้รับทรา บ, ร บ, รบสัญญาจาได้หมายรู้ก็เป็นเป็นคำอีกอย่างหนึ่งจาได้จาได้หมายรู้หมายรู้นี่คือมันคาดมันดาวคาว่าหมายรู้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 รูปร่างร่างกายของเราเป็นผมแยะแต่ละอาการของมันอืแต่ละสภาวะของมันจะเรียกว่าอาการแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างของมันอืมันมารวกันนะหรือเราจะดูจากสิ่งภายนอกที่เข้ามาประกอบกันเช่น อ, อะไรอาหารอาหารเตรียมหน้าเราที่กําลังเรากำลังจะกําลังนก๊าดเข้าปากเป็นข้าวเป็นปลาเป็นกับเป็นแกงเป็นผัก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 ถ้าเป็นต้นมะข่าเมเนี่ยเราพอต้นมะข่าเนี่ยมันจะแทงมันจะแทงรากขึ้นมาแทงรากขึ้นมามะข่านะถ้ามันได้ดินมันได้ดินได้อากาศพอดีได้น้ํำพอชุ่มชุมชื้นชื้นอากาศอุ่นอบอบุอบอ่นพอดีเนี่ยมันจะแทงรากมาพอแทงรากมาขึ้นบนปั๊บมันจะโค้งลงดินนี <acord> ่ <es> ถ้าใครเคสังเกตนะ <weaknesses> นี่คือธรรมชาติมันมันไม่อยู่เท่าเดิมหรอกพอเ ข, า, ขาเขาดินปั๊บ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 ความดีใจใจดีใจจับความรู้สึกของมันจับอาการของมันเสียใจจับอาการของมันมาที่อาการของมันมันแสดงออกมาที่กายด้วยความดีใจร่างกายสุข ส, ขสบายความเสียใจร่างกายอึดอดัดหัวใจเต้นเร็วคึ้นชักชักชักความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบาย orm. ความสบายกายความสบายใจ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 ผลน้อยหนาผลหนึ่งมันมีเมล็ดมากมายเยะๆอยู่ในนั้นมันเกิดร่วมกันอยู่ในนั้นล้วแยกออกไม่ได้แยกออกคือก็คือค อ, อามาผ่ากินมาอเอามาฉีกกินามาบีบกินนะั่นแหะถ้าเราแยกออกอแต่ถ้าเราแยกออกอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เปลนผลแล้วก็เป็นผลอยู่ที่ต้นมันก็เสียแล้วเน่าแล้ม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 สภาวะทรรแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีตัวไหนที่เป็นเราที่เป็นของของเราที่เราควรจะยึดที่เราควรจะถือจิ้มเข้าไปแซะเข้าไปชักเข้าไปล่างเข้าไปชำระเข้าไปปอกเข้าไปปอกเข้าไปเหมือนเขาปอกต้นกล้วยปอกเข้าไปปอกเข้าไปมีหมายความว่าตัณหาเก่ามันฝังอยู่ตามกายตามเวทนาตามจิตตามธรรมหรือฝังอยู่ที่กายที่เวทนา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 พูดพอเปลี่ยนข้อคิด <c oughs> พูดต้องสอนต้องเล่าครูบาอาจารย์ท่านจึงว่าขันของเรานี่แหละเป็นเขียงลับเขียงลับปัญญาอืม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 โอ้ยงภาวนาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงต้องทำเสร็จแล้วเรามานงประเมินผลตามหลังสุขโขสุก ข, ขังและเกินให้พยายามสร้างความอบอุ่นให้กับใจของเรากลังใจให้กับใจของเราวิธีนี้แหละที่จะทำให้เราได้รับความสุขได้รับความอบอุ่นนี่แหละคือบุญ น, นี่แหละคือบุญ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 <c ười> คือความจำนี่คือคุณสมบัติของจิตมันฝึกได้ทุกคนฝึกได้ฝึกเอาไม่ท่องเออหงาคอยมีความขยันจิตของเราฝึกได้เป็นสิ่งอัศจรรย์จิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นแก้วสารพัดนึกจริงๆ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 โสตขานะัชสิวหากายะมโนวิญญาบุเกิดเกิดทางนั้นผัสสะยัคูสัสมผัสโสตสัมผัสขานัสัมผัสิวหาสัมผัสกายะ ส, สัสมผัสเวทนาเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอัตุกรมสุขเวทนา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 มาได้ยึดเวทนาว่าเป็นเราไม่ได้ยึดทุกขเวทนาว่าเป็นเราเห็นได้กิริยาการเข้ามาแสดงให้ปรากฏมันเกิดขึ้นทุกช่องเวทนาสัญญาสัญเจตนาตัณหาวิตกวิจารยังยังละหกยังหกสิบหมวดสิบหกหกสิบ นี่เป็นช่องเป็นรูที่มันเกิดทั้งนั้นท่านบอกไว้หมดมันพราอที่จะเกิดได้ทุกอย่างเรากํากลับมาที่จิต ด, ดวงเดียวอยู่ทั้งหมดอยู่หมัดทั้งหมดทั้งหกสิบอย่างนั่นละไล่ให้เรารู้จักเฉยเฉยดอก น, นั้นท่านไล่ให้เรารู้จักเฉยเฉยกกลับมาที่จิต ด, ดวงเดียวหยุดหมดเพราะจิต ด, ดวงเดียวสแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเรา